ข้อความในมันชฌิมนิกายต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนั้นกล่าวถึงสัลเลฆสูตรสูตรว่า ด, ด้วยการขัดเกลว์ลคำว่าขัดเกลวก็รวมถึงการกลั่นกรองการทำความสะอาดอนะการชำระการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ผ่องใสแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นนิยานิกะทธรมที่เป็นธรรมนำออกจากทุกข์ทั้ง สี 40, ใช่ไหมทั้งสี่ทั้ง44หัวข้อใน44ี่หัวข้อนั้นที่พระผู้มีพระภาคแสดงก็แสดงเหตุแห่งสันเลขธรรมเหตุแห่งจิตตุบาทเหตุแห่งการหลีกออกไปเหตุแห่งความเป็นผู้สูงส่งแล้วก็เหตุที่ยังกิเลสให้ดับไปหรือว่าเหตุเพื่อความสงบประงับดับจากวัตทุกขในสันเลขธรรมเนี่ยนะทั้ง จริงทั้งห้ารอบนะเท่ากับพระพุทธเจ้าแสดงห้ารอบใช่ไหมคือเหตุแห่งสันเลขธรรมเหตุแห่งจิตุบาทเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเหตุแห่งภาวะเบื้องสูงเหตุแห่งการดับกิเลสดับกองทุกข์ในบรรดาธรรมะเหล่านั้นทั้ง44ี่หัวข้อยกมาแสดงเป็นพิเศษสองข้อสองข้อคืออะไระธรรมที่ยกขึ้นมาแสดงสองข้อนั้นคือสัมมาทิฏฐิกับ สัมมาญาณนะสองข้อคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาญาณนะสัมมาทิฏฐินั้นเชื่อว่าเป็นธรรมที่ขัดเกลาเหมือนกันเป็นธรรมะที่ขัดเกลว์เป็นธรรมะที่ทำให้บริสุทธิ์ผุดพองสัมมาทิฏฐินั้นเชื่อว่าเป็นธรรมะถ้าใครที่ตั้งจิตเพื่อให้เกิด สัมมาทิฏฐิขึ้นจิตตุบาทนั้นก็มีผลมากมีอนิสง์มากนะก็สมาทานตั้งมั่นเพื่อให้เกิดสัมมาทิฐิสัมมาทิฐินั้นเป็นเหตุที่หลีกออกไปจากมิจฉาทิฐิทั้งหลายสัมมาทิฐินั้นทำให้เป็นเหตุที่ทำให้ถึงความสูงส่งไม่เหมือนกับมิจฉาทิฐิที่ทำให้ถึงความต่าต้อย สัมมาทิฏฐินั้นเป็นเหตุที่ยังกิเลสให้ดับสัมมาทิฐิเป็นเหตุที่ยังวัฏจทุกข์ทั้งหลายให้ให้ดับให้หมดสิ้นไปเพปัญสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสันเลกธรรมสัมมาทิฐิเป็นเหตุแห่งจิตตุบาทที่มีผลมากมีอนิสงส์มากสัมมาทิฐินั้นเป็นการหลีกออกไปจากมิจฉาทิฐิสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุแห่งภาวะเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปสัมมาทิฏฐินี้นเป็นเหตุแห่งความสงบระงับดับวัฏจทุกข์ มันในสูตรที่เราจะเรียนวันนี้คือสัมมาทิฏฐิสูตรซึ่งเป็นสูตรที่มีอุปการะคุณมากสัมมาทิฏฐินั้นถือว่าเป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติอริยมรรตเป็นเบื้องต้นแห่งการตรัสรู้และก็เป็นเบื้องต้นแห่งมัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกว่าปฏิบัติสายตรงสายกลา ง, ส า, งลสายที่ถูกต้องนั้นสายที่ถูกต้องนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องสําคัญที่สุด ความเข้าใจที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐินั้นถือว่าสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะสามารถละมิจฉาทิฏฐิและบาปอกุศลที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิออกไปได้ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็สามารถทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสามารถที่จะกาจัดมิจฉาสังกับปะออกไป กำจัดบาปอกุศลทั้งหลายที่มีมิจฉาสังกัปปะเป็นหัวหน้ามีมิจฉาสังกัปปะเป็นประธานผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสา ม, มารถเจริญสัมมาสังกัปปะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพิ่มพูนสัมมาสังกัปปะที่เพอที่เกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็ยังสา ม, มารถเจริญกุศลธรรมที่มีสัมมาสังกัปปะเป็นหัวหน้าและเป็นประธาน การมีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นเหตุให้มีสัมมาวาจาละมิชาวาจาละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดจากมิชาวาจาเพิ่มพูนสัมมาวาจาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกุศลธรรมทั้งหลายตามมาอีกมากมายเพราะมีสัมมาวาจาเป็นหัวหน้าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐินั้นสามารถที่จะเจริญสัมมาสังกัสัมมากัมมันตะละมิฉากัมมันตะ และบาปอากุศลที่มีมิจฉากรรมมันตะเป็นหัวหน้าเป็นประธานออกไปสัมมากมันตะก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปกุศลธรรมทั้งหลายที่มีสัมมากมันตะเป็นหัวหน้าก็พ่อพูนเจริญขึ้นเจริญขึ้นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิย่อมเจริญสัมมาอาชีวะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพิ่มพูนกุศลธรรมทั้งหลายที่มีสัมมาอาชีวะเป็นหัวหน้า แล้วก็ยังสามารถละมิจฉาอาชีวะละบาปอากุศลที่มีมิจฌาอาชีวะเป็นหัวหน้าและเป็นประธานนั้นสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจนั้นสำคัญมากต่อคำที่พูดสำคัญต่อสิ่งที่ทำสำคัญต่ออาชีพนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นท่านถือว่าเป็นเหมือนกับวัชระยานยานที่เป็นประดุจเพชรเหมือนกับรัตนะเหมือนกับจินดามนีแก้วสารพัดนึก อันสัมมาทิฏฐินั้นจึงถือว่าเป็นธรรมเอกที่ที่บุคคลเจริญแล้วสามารถทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้เพราะว่าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสามารถที่จะเจริญสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสามารถละมิจฉาวายามะละมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิละบาปอากุโลธรรมทั้งหลายที่มีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเป็นหัวหน้า ละทุจริตกรรมทั้งหลายละบาปประทมทั้งหลายนี้มีความสามารถในการเจริญสัมมาวายามะมีความสามารถในการเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความสามารถในการยังกุศลธรรมทั้งหลายอย่างอื่นให้เพียบพร้อมให้เต็มเปี่ยมให้เจริญบริบูรณ์ผู้ที่มีสัมมาทิฐิจึงสามารถละทำฝ่ายดา สามารถละเหตุแห่งความทุกข์สามารถปฏิบัติธรรมที่เป็นเหตุแห่งความสุขให้เจริญงอกงามโดยส่วนเดียวพันสัมมาทิฏฐินั้นถ้าเต็มเตี่ยมอย่างว่าสัมมาทิฏฐิที่เต็มสมบูรณ์แล้วทํากิจอะไรก็คือทํากิจในอริยสัจ ต, ตัวสัมมาทิฏฐิตัวปัญญาตัวนั้นทํากิจปริญญาในกองทุกข์ทั้งหลายทํากิจละสมุทัยทั้งหลายทํากิจทําให้แจ้งพระนิพพานทั้งหลายทํากิจ เจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเจริญกิจรวบรวมกุศลธรรมทั้งหลายทํากิจรวบรวมโพธิปัจิยธรรมทั้งหลายให้เจริญบริบูรณ์อันนั้นคือคุณของส ม, มาธิฏิส ม, มาธิฏิอันนี้ถือว่าเป็นพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าคิดกันธรรมดาบอกว่าส ม, มาธิฏิก็ก็ดูยิ่งใหญ่ดูสําคัญ แต่ให้รู้เธอว่าสัมมาทิฐิตัวนี้พระพุทธเจ้าสแสวงหาใช้เวลาเท่าไหร่สแสวงหาสัมมาทิฐิทั้งโลกิยะสัมมาทิฏฐิทั้งโลกุตระสัมมาทิฐิตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับมันสแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถือว่าสําคัญที่สุดที่จะทําให้ผู้ที่เข้าใจถูกต้องปฏิบัติแล้วสิ้นทุกได้ผู้ที่เข้าใจผิดนี่มันผิดตั้งแต่เข้าใจแล้ว มันถ้าเข้าใจผิดสัอย่างเดียวนี่จะคิดถูกได้ไหมมันก็คิดก็ไม่ถูกพูดก็ไม่ถูกพิมก็ไม่ถูกมันพลาดโดยส่วนเดียวอยู่แล้วพราะนั้นการปฏิบัติที่ถึงความสิ้นทุกการปฏิบัติเพื่อความดับทุกนั้นขึ้นตรงขึ้นต้นด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องวันในพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับสัมมาทิฏฐิเป็นอันดับแรกเป็นเบื้องต้นทีนี้เหตุปัจจัยของสัมมาทิฏฐิตัวในครั้งหนึ่งแล้วว่าเหตุปัจจัยของสัมมาทิฏฐิ เหตุที่ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีอยู่สองประการคือปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือปรตโตโคสะก็คือฟังคําสอนจนเพียงพ อ, อนะฟังคําสอนวั้นคําสอนทั้งหมดในพระไตรปิฎกเป็นคําสอนเพื่อปรับให้เกิดสัมมาทิฐิให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะ ทำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระวินัยปิฎกก็คือศีลพระสุตันตปิฎกก็คือสมาธิพระพิธรรมปิฎกก็คือปัญญาถ้ามีความรู้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่ออบรมเจริญศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นําออกจากทุกทีนี้การเจริญศีลถ้าเข้าใจไม่ถูกจะเจริญศีลได้ไหมถ้าเข้าใจไม่ถูกจะเจริญสมม า, าวิปัสสนได้ไหมก็ไม่ได้ พันความเข้าใจที่ถูกต้องทวนอีกครั้งว่าสำคัญมากพานเราจะต้องสแสวงหาเหตุปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิให้ให้เพียงพอนะให้เพียงพอให้สมควรแค่ไหนจึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพอแล้วแค่ไหนอรหัตตมรคคสัมมาทิฏฐินั่นแหละจึงจะพอถ้าอรหัตตมัคคสัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งพอเลยบอกรู้มากแล้ว อันนะี้คิดว่ารู้มากแล้วรู้เยอะแล้วเรียนมามากแล้วเรียนมาเยอะแล้วอันนะใช่ผ่านตาผ่านหูมามากแล้วอันนี้เชื่ออยู่แต่ไม่ได้แปลว่ามีสัมมาทิฏฐิมากแล้วสัมมาทิฏฐินั้นอ่ะเป็นอีกสชื่อหนึ่งนะพูดแบบทรัพภาษาทั่วไปว่าความเจริญแห่งจิตแห่งวิญญาณว่่างนั้นพุทธิทางวิญญาณหมายคำ ว, ว่าความรู้ที่ที่วิญญาณที่มีคุณภาพ เป็นจิตใจที่มีความรู้เป็นปิจใจจิตใจที่มีปัญญาอย่างแท้จริงหมายถึาว่าปิดหนังสือปิดตำรามแม้กระทั่งนั่งอยู่คนเดียวก็ความรู้ความเข้าใจอันนั้นไม่เลอะเลือนไม่ใช่จำได้นะมีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องกับจำได้ไม่เหมือนกันนะคนที่มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเนี่ยนะอย่างอย่างว่าหลับตาลืมตาก็เห็นกรร ม, มสรรตาเลยมันเรามองเห็นนี่เราเห็นกรรมและผลของกรรมอยู่ในนั้นไหม ถ้ายังไม่เห็นเลยไอ้ที่ฟังมามากเนี่ยนะก็ก็ได้อุปนิสัยนะแต่ว่ามันยังไม่เจริญอะ่ะแปลว่าอะไรก็แปลว่ายังไม่เจริญถ้ายังไม่เจริญแนละ้วทํำยังไงตั้งไว้อย่างไงจึงจะเจริญเพราะะฉนั้นหลายคนก็บอกเขาเข้าใจถูกต้องแล้วเขาเข้าใจถูกต้องแล้วเข้าใจว่ายังไงในกรรมและผลของกรรมในชีวิตจริงนะปิดตําราปิดหนังสือปิดสัมมาทิฏฐิสูตรให้หมดแล้วดูลืมตามมองเห็นเห็น สัมมาทิฏฐิไหมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นไหมถ้าสัมมาทิฏฐิมองเห็นว่าเออนี้กรรมนี้ผลของกรรมและอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมส่วนไหนเป็นตัวกรรมส่วนไหนเป็นผลของกรรมในชีวิตจริงที่เกิดจากความเข้าใจที่ที่ถูกต้องถ้าเข้าใจยังไม่ถูกต้องก็ฟังจนปรับความเข้าใจให้ถูกต้องในทุกทวารทั้งทวารหกเลยทวารตาเนี่ยให้แยกกรรมและแยกผลของกรรมแยกเหตุแยกผลแยกให้ออกทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว ทวานหูก็แยกให้เป็นให้หมดนะนะต้องฝึกแยกจําแนกแยกแยะเพราอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิพัฒชวาทีวิพัฒชวาทลัตทีว่าด้วยการจําแนกแยกแยะวาทะแปลว่าลัตธิก็ได้พุทธศาสนาเป็นลัตธิลัตทีหนึ่งคำว่าลัตทีนี่คือทิฏฐิเป็นความรู้ความเห็นลัตทีแห่งการจําแนกแจกแจงลัตทีแห่งการแยกแยะแยกแยะอะไร สรุปว่าถ้าแยกสมบูรณ์ที่สุดแยกแยะว่านี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะเพราะถ้าเรามีความรู้สามารถที่จะจำแนกแยกแยะเพิ่มพูนคุณภาพแห่งการจำแนกแยกแยะได้เท่าไหร่แสดงว่าสัมมาทิฐิเราเพิ่มพูนขนาดนั้นจิตวิญญาณของเราก็จเจริญเติบโตขนาดนั้นทีนี้ความเข้าใจของเราเนี่ยนะเอาแค่ไหนจึงจะเรียกว่าผู้มีทิฐิสมบูรณ์ น, นะทัศนสัมปันโนถึงพร้อมด้วยทัศนะถึงพร้อมด้วยความรู้ความเห็นทิฏฐิสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือพระ โ, โสดาบันนะนะพระโสดาบันเนี่ยทิฏฐิสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทัศนสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยการเห็นจนกว่าจะหลับตาลืมตามองเห็นอริยสัจได้เท่ากนันนะเมื่อนั้นนั่นแหละจึงชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิอย่างเต็มเปี่ยมเพราะถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิก็สังเกตจากชีวิตจริงนะ มองเห็นอริยสัจไหมในชีวิตจริงๆถ้าเห็นอริยสัจไม่มากหรือไม่เห็นเลยหรือแทบไม่เคยเอามาคิดเลยก็สัมมาทิฏฐินี้ไม่มีเลยเมื่อไม่มีเลยเนี่ยนะน่าสงสารมากว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้อะไรเลยเพราะเราไม่ได้สัมมาทิฏฐิมาจากพระองค์เลยไม่ได้ความรู้ความเข้าใจจากพระพุทธเจ้ามาเลยนี่ก็น่าการุณามากๆแล้วนะม า, มาว่าหัดเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยนะ ดีไหมเจริญกรุณาให้ตัวเองเออดีที่ถ้าว่าว่าปรารถนาที่จะให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ถ้าตั้งคำถามว่าถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆโง่งๆเหมือนเดิมเนี่ยนะดียังไงหมายก็ว่าฉลาดเท่านี้แหละลืมตามองเห็นเม่เห็นอนะมองเห็นกันนิยมเล็กแค่นี้นี่ยมฝนนี่คุณมารีวานนี่คุณเป็นสี นี่โยมโตนี่ผิดโยมตาอย่างเงี้ยถ้ามองเห็นอยู่แค่เนี้ยชราเท่านี้จริงๆเลยอะ่ะได้อะไรขึ้นมาบ้างอะ่ะดีไหมไม่ดีแสดงว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิอะไรเลยใช่ไหมแล้วนี่ลุงเรืองเอา้าใครก็เห็นว่าลุงเรืองเรียนธรรมะให้มันเมื่อยทาไมอะ่ะถ้าเห็นว่านี่แค่ลุงเรืองงี้ใช่ไหมเอาแล้วทาเห็นยังไงยังไงได้ว่าเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิละ่ะเห็นเป็นสีไม่ใช่แน่นอนว่าคนตาบอดคนตาไม่บอดเห็นสีทั้งนั้นแหละ กันจะทวารวิถ ja ีก็มีสีเป็นอารมณ์ทั้งนั้นจักขูวิญญาณก็มีสีเป็นอารมณ์แล้วเห็นแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเพียงพอที่เรียกว่าเห็นเป็นสัมมาทิฐิให้ได้นะเห็นเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฐิเห็นเป็นฌานสัมมาทิฐิเห็นเป็นวิปัสนาสัมมาทิฐิแล้วสัมมาทิฐิเหล่านี้เป็นปัจจัยแห่งมรรคผลได้อย่างไรทําความเข้าใจอย่างนี้จนมีสัมมาทิฐิที่เรียกว่าเห็นอริยสัพจริงๆ นะครับปรับความเข้าใจเนี่ยปรับความเห็นอันนี้ให้ให้เพียงพอพยายามตั้งไว้เลยว่าจะต้องทําความเข้าใจให้เพียงพอในชีวิตจริงนะนไอ้ที่ร่ําเรียนมาทั้งหมดผ่านเมื่อกี่คัมภีร์ก็เพื่อให้เห็นอย่างเงี้ยในชีวิตจริงนี่แหละเพราะว่าตอนจุติเราไม่ได้แบกคัมภีไปด้วยใช่ไหมนไม่ได้แบกหนังสือไม่ได้แบกตําราการเรียนการฟังนี่ก็มันก็ได้เฉพาะตอนตอน้นแต่เอาเข้าจริงๆก็ต้องปรับจนเกิดความรู้ความเข้าใจเอามาใช้ใน ชีวิตจริงได้ถ้าเอาไปใช้ไม่ได้เราก็ไม่ได้ทราบอะไรจากพระพุทธเจ้าเลยนะนะไม่ได้มรดกอะไรเลยไม่ได้ธรรมทายาธเลยไม่เป็นธรรมทายาธเลยสูตรก่อนๆนี่พระพุทธเจ้าให้เราเป็นอะไรนะในหน้าหน้าสองสองเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาธนะอย่าเป็นอมิตธรรายาธก็คือเธอทั้งหลายจงรับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ เนี่ยนะวันสัมมาทิฏฐินี้ถือว่าเป็นมรดกของพระพุทธเจ้ามันเธอทั้งหลายจงรับสัมมาทิฏฐิไปเถอดอย่าเอาอย่างอื่นเลยนะให้เอาสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิก็นับว่าเป็นมรดกอันหนึ่งวันสัมมาทิฏฐินี้ใครที่มีความเข้าใจก็สามารถละเหตุแห่งความทุกข์โดยประการทั้งปวงออกไปได้สามารถที่จะสแสวงหาเหตุแห่งความสุขเจริญปฏิบัติเหตุแห่งความสุข พูด <sugg> ถึงรวมๆเ <st it ut io> นี่ย น, นะผู้ที่มีสัมมาทิฐิเนี่ยนะถ้าพูดแบบมีปัญญาทางโลกแบบทั่วๆไปผู้ที่มีปัญญาเนี่ยสแสวงหาโภคทรัพย์ที่ยังไ ม, ไ, มมไม่เกิดให้เกิดได้ไหมได้ถ้ามีความเข้าใจเนี่ยทำโภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดได้รักษาโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เพิ่มพูนได้ไหมได้ขอให้มีความเข้าใจเธออันนี้พูดแบบชาวโลกทั่วไปเนี่ยนะที่ยินดีในโภคทรัพย์ขอให้มีความเข้าใจเขาบอกว่าบางท่านบอกเลยว่าความเข้าใจในการสแสวงหาโภคทรัพย์ มีคุณค่ายิ่งกว่าตัวพวกข้าศัพท์เพราะถ้าไม่มีความเข้าใจรักษาได้ไหมไม่แน่รักษาไม่ได้หรอกเห็นไหมครับความเข้าใจนั้นสำคัญมากต่อการแสวงหาพวกข้าศัพท์ต่อการรักษาพวกข้าศัพท์ฉัน้นใดความเข้าใจก็สําคัญมากต่อการเพิ่มพูนอริยทรัพย์ฉันนั้นเพราะว่าผู้ที่มีความเข้าใจสามารถสร้างศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดได้ไหมได้ผู้ที่มีความเข้าใจสร้างความเพียรที่ยังไม่เพียรให้เพียรได้ไหมได้ ผู้ที่มีความเข้าใจสามารถเจริญสตไิได้ไหมได้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทำให้ใจสงบได้ไหมได้ผู้ที่มีปัญ euh ป ญ, ญาสามารถสร้างปัญญาให้ปัญญามีคุณภาพกว่าเดิมได้ไหมบอกได้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นจึงเพิ่มพูนศรัทธาวิรยิยสติมสมาธิและปัญญาผู้ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถเพิ่มพูนสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พล ะ, ระและพ่อชงองมร์เนี่ยนะนั้นสําคัญที่สุดนี่ทำยังไงสัมมาธิฏฐิเราจึงจะเกิดขึ้นมันเราฟังทำก็ถ้าเราฟังฟังเพื่อทําให้เกิดสัมมาธิฏฐิว่าเราวิชาเหล่านี้เราจะต้องไปรู้ไปเห็นตามที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นในเบื้องต้นขอทําความเข้าใจก่อน ขอรู้ตามขอเรียนตามขอศึกษาตามขอทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจจนหมดบอกเลเขามาเคยคิดอย่างนี้ว่าขอขอพูดตามคิดตามเรียนตามเมื่อเรียนจบทุกเข้าใจทุกตารางนิ้วหมดแล้วอ่ะตามคำสอนเนี่ยเป๊ะทุกตารางมินเข้าใจไม่ผิดพลาดแล้วอ่ะทำได้อย่างที่ท่านว่าแล้วหมดถ้าไม่ดีจริงจะเลิกคิดว่ายางนี้จริงๆ นะใครจะใครจะเรียนแบบบ้างไหมหมายความว่าทําทุกอย่างจําได้ทั้งหมดคิดตามพูดตามทําตามเห็นตามประชุมทําได้อย่างพระพุทธเจ้าว่าทั้งหมดเลยอ่ะนะแล้วไม่ดีจริงจะเลิกนันะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สิบเอร์ซเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจริญให้มันได้ร้อเต็มเป๊ะหมดเสร็จแล้วนะไม่ดีจริงกันเลิกแต่ที่แน่ๆดูถ้าจะเลิกยากทําไมรู้ไหมเออนี่ขนาดทําได้อยังงี้ยังสบายใจขนาดนี้เลยถ้าทําได้มากตอนนี้จะดีขนาดไหน นะดูถ้าจะเห็นด้วยยิ่งขึ้นมืนนะอันนี้ก็เหมือนกาจรเราทั้งหลายก็พยายามที่จะปรับความรู้ความเมีนความเข้าใจตามท่านเธอเห็นไหมก็บอกว่าการศึกษาพระธรรมมีอยู่สองอย่างสองอย่างก็คือบอกว่าพระัตนะไตรหน่าจะโอนมาหาเราบ้างกับเราน่าจะโอนไปหาพระรัตนะไตรยตกลงใครเป็นสารณะของใครอืม ขอความเห็นใจจากพระัตนตรัยให้ท่านโอนมาหาเราหน่อยเถอะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเพลาๆเบาๆหน่อยเถอะหรือพระธรรมคําสอนก็ให้แม่ให้เบาให้ง่ายกว่านี้หน่อยเถอะเป็นต้นเนี่ยนะให้พยายามจะเข้าใจเราทุกอย่างให้ท่านโอนมาหาเราเอาไหมเราก็อยู่ของเราตามเดิมเนี่ยอุเบกขาเฉยๆแบบวันๆอยู่ไปวันๆหนึ่งนั่นแหละ แล้วท่านโอนมาหาเราเออเธอเป็นโสดาบันแล้วนะเธอเป็นสกาทาคามีแล้วเ อ, อ้ยเธอเกือบบรรลุแล้วนะเนี่ยยังไงนะเอาไหมไม่เอาเนาะเพราะสรุปว่าไอ้สภาพที่เราเป็นอยู่ๆจริงไม่ดีจริงสิเมื่อมันไม่ดีจริงเราก็ต้องโอนไปหาท่านเราจะโอนไปหาท่านได้อย่างไรตามท่านไปได้อย่างไรติดตามท่านไปได้อย่างไร เพิ่มพูนกุศลธรรมตามท่านได้อย่างไงคิดอย่างไง ร, รู้อย่างไรเห็นอย่างไรชื่อว่ารู้เห็นแบบที่ท่านรู้ท่านเห็นเพราะท่านรู้ท่านเห็นแล้วพ้นทุกข์ของเราถ้าอยู่เฉยๆแบบเราๆเนี่ยนะอีกสัก20ปีเราจะมีความสุขกว่านี้อีก20เท่าไหมคิดแบบเราคิดทุกกระเบียดนิ้วเลยนะยีปีผ่านไปหรือห้าอีกห้ปีข้างหน้าจะมีความสุขความเจริญไหมไม่แน่นอนแต่ถ้าเราลองคิดตามท่านพูดตามท่าน ปฏิบัติตามอย่างที่คำสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดสัก30ปีเราที่เราจะมีความสุขขึ้นไหมว่ามีความสุขอยู่แล้วเนี่ยนะอีก30ปีลงเรืองก็90ปกว่าเองนะพอดี